ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันสันสินาพงศ์ดําเนินรายการอยู่ทางสกานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอหนะคะหลังจากที่พักเสาร์อาทิตย์กันไปการเริ่มต้นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีใหม่รอบวันเกิดใหม่หรือบางคนบอเอาทุกวันเลยวันใหม่เหมือนกับรายการนี้นะคะเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่ดีจะไปกราบน้ัพสการกับพระอาจ า, ายรย์ภพบูรอภิปุณโน จะวัดป่าดอนหายสูุดรนธานีเพื่อที่จะได้ขอธรรมะในการที่จะเริ่มต้นวันใหม่ในสัปดาห์ใหม่นี้กันด้วยดีค่ะกรับมาวัฒ ก, การกระท่านคะเฉยพรค่ะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งใหม่ๆเนี่ยนะค่ะถ้าเราจะพูดถึงความใหม่ความเก่าเนี่ยคือมันก็วนรอบกันไปวนรอบกันมาทีนี้ถ้าสิ่งใหม่ๆมากใหม่เนี่ยเราพยายามทําให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวันก่อนๆอันนี้จะดีแน่ เช่นว่าเมื่อวานนี้เอ้เรามีโกรธใครไหมเรามีคิดไม่ดีกับใครไหมวันนี้เรามาเราก็พยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงตรงนั้นเนี่ยตรงนี้เราดีขึ้นเน่แค่ขอแค่ดีขึ้นเวละหนึซไม่มากแต่ทําทุกวันให้มันดีขึ้นทุกวั น, นจะดีมากในเมื่อท่านหยิบยกเรื่องของความโกรธดิฉันก็ยังจําฝังใจอยู่เลยนะคะเกี่ยวกับที่ ได้บอกว่าพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้เปรียบความโกรธว่าเหมือนต้นไม้ที่ยอดนหวานแต่รากเป็นพิษช่ท่านฟังจะจําตรงนี้เอาไว้ด้วยก็ดีนะคะจะได้รู้ว่าเราต้องมีกําลังใจที่โกรธให้น้อยลงเพราะยอดมันหวานก็จริงแต่รากมันเป็นพิษอืมค่ะไอความความเป็นพิษของรากต้นไม้บางประเภทเนี่ยเราจะเคยเห็นว่าขนาดว่าต้นที่อยู่รอบรอบมนเนี่ยไม่มีเลยน ะ, ะมันเป็นต้นเดียว เป็นอย่างนั้นคือความโกรธเวลาตุ้มขึ้นมาเนี่ยคนอื่นนี้เดือดร้อนไปหมดลักษณะเดียวกันค่ะทีนี้ท่านพูดคาว่าความความก็มาตรงกับที่ดิฉันเคยสงสัยนะคะคือดิฉันสงสัยว่าในโลกนี้มันมีสารพัดความเลยค่ะถ้าเอาดีหน่อยก็เอาความดีความชั่วความรักความเกลียดความโกรธความโลภความหลงความกลัวความอิจฉา สารพัดความเนี่ยค่ะอ่าในทางโลกที่ฉันเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์มนะคะในทางธรรมเรียกว่าเป็นธรมมารมณ์หรือว่าเป็นอย่างอื่นคะอาารคะโอ้ถ้าพูดถึงไอ้ความความเนี่ยถ้าโดยภาษาโดยศัพท์เนี่ยมันก็หมายถึงเป็นเป็นคํานามเพื่อที่จะอธิบายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมค่ะทีนี้ไอ้คานามเพื่อที่จะอธิบายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย บางทีมันก็อธิบายอะไรล่ะถ้าอธิบายเกี่ยวกับอารมณ์นะก็ใช้คําว่าความได้อธิบายเกี่ยวกับเวทนาความรู้สึกก็ใช้ได้ในพระุทธเจ้าจะไม่ได้แบ่งศัพท์โดยลักษณะว่าคํานามหรือคํากิริยาอะไรพวกนั้นแต่แต่จะแบ่งในลักษณะที่เรียกว่าบางทีก็ใช้ขันธ์ห้าในการแบ่งแต่บางทีก็ใช้แบ่งด้วยเรื่องของอริยสัจสี่เพราะนั้นอย่างสมมุติถ้าบอกวความโกรธอันนี้มันก็เข้าในลักษณะของเหตุเกิดทุกข์นะั่นคือเรื่องของตัณหา ถ้าเราพูดถึงความง่วงอันนี้มันก็เข้าลักษณะของนิวรณ์นะก็เป็นมารากเดียวกันกันกบเจ้าเหตุของความทุกข์เหมือนกันถ้าเราพูดถึงความความสุขนะความสุขสุขกายสุขเวทนาอันนี้ก็เข้าลักษณะของอันนี้ก็ เ, เรียกทุกขะทุกขอริยสัจคือเรื่องของขันทั้ง5อย่างนี้ถ้าเราพูดถึงความดับไม่เหลือ อ, อันนี้ก็ พูดถึงนิพพานอย่างนี้ก็ได้คก็เท่ากับว่าทางธรรมก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับในทางโลกแต่ว่าในเรื่องของทางธรรมนี่ถือว่าความทั้งหลายที่อยู่ในหมวดธรรมแตกต่างกันเนี่ยนะคะมีความสําคัญเหมือนหรือแตกต่างกันมากไหมคะเนี่ยนี่คือประเด็นคุณยมติ ว, ว่า นักวิชาการหรือว่าคนที่เขาจะคิดเรื่องราวอะไรต่างๆก็จะแบ่งยังไงก็ได้แบ่ง4แบ่งแปดแบ่งคือคือเขาจะคิดไปได้เรื่อยๆหมดทงทุกอย่างไม่มีปะนะัญหานะก็คิดก<ะ>ันไปแต่ไอาการถ้านี่คือความยุ่งเหยิงของของสรรพสัตว์ในโลกนี้สมมุติเราแบ่งไม่ถูกเราแบ่งไม่เข้าใจเราแบ่งไม่เป็นมันจะยังงงอยู่มันจะยังงงอยู่<ะ>ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมาเขาเรียกว่ามีการบัญญัตินะบัญญัติแล้วก็แต่งตั้งเปิดเผยจาแนกแจกแจงเรื่องอะไร เรื่องที่พ ร, ระพุทธเจ้าอธิบายมาทั้งหมดนี่แหละใน4ีปีเพื่อที่จะให้เหมือนกับการคลี่คลายไอ้เจ้าความเหมือนกับเชือกปมเชือกที่มันพันกันอยู่เนี่ยนะนเพื่อที่จะคลายตรงนี้ออกให้ได้เพราะฉะนั้นการทําความเข้าใจเพื่อที่จะคลายตรงนี้ออกให้ได้เนี่ยพุทธเจ้าจึงมีการบัญญัติหมวดธรรมต่างๆพวกนี้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ทําไมต้องแบบนี้เพราะแบบนี้มันจะทําให้คุณคลายได้เปิดได้ตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ว่าถ้าเผิดว่า เราเราไม่ได้แบ่งอย่างที่ผู้ชา่ยแบ่งเนี่ยเราอาจจะงงได้ศัพท์ที่อาตมาเคยงงมาแต่ก่อนมากมายเลยเนี่ยอย่างเช่นคําว่าคําว่ารู้อย่างเงี้ยนะภาษาไทยนี่มีทั้งความรู้ใช่ไหมระลึกรู้รู้สึกหมายรู้รับรู้อนี้หอย่างนะแต่อ้าอย่างนี้นะนมีคําว่ารู้หมดเลยแต่พอแปลเป็นภาษาบาลีแล้วเนี่ยอย่างหมายรู้คือสัญญา ร, รู้คือสติรู้สึกคือวิญญาณนะแล้วก็ความรู้พวกนี้คือพวกเกี่ยวกับเรื่องของปริยัติเพราะฉะนั้นไอ้รู้พวกนี้มันทำให้เราสับสนทำให้เราสับสน<ห>จึงต้องบางทีต้องกลับไปหาหรากที่ที่พระเจ้าอธิบายไว้มันจะได้ทำให้เราเข้าใจได้ไค่ะซึ่งรากดังว่านั้นก็คือภาษาบาลี เป็นที่พระเจ้าสอนอไว้ค่ะอืมอือนะคะแต่ว่าถ้าได้ฟังสังสมสุตตะตไปเรื่อยเรื่อความรู้นี้ก็จะค่อยปรากฏชัดเจนขึ้นทีนี้ถ้าจะตัดมาสักหนึ่งความนะคะคือเรื่องของความกลัวเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่สำคัญมากเลยเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกไม่สบายนะคะและ้วก็หวนหวาดกับสิ่งที่ ทำให้เราเกิดความกลัวได้อยู่เสมอๆและความกลัวของคนในบางทีกลัวแปลกๆนะคะดิฉันมีเพื่อนกลัวแมงตังหมูที่คายออกมาจากปากดิฉันมีเพื่อน <laughs> เราเราอาจจะขำนะคะแต่ไปเห็นเขากลัวเราจะรู้สึกเห็นใจมากว่ากลัวมากอเออออเเ่รามีเพื่อนที่กลัวแมงมุมอืมเรามีเพื่อนที่กลัวแมงสามกลัวงู ดิฉัน่างูมันยังน่าลกลัวนะคะนะคะเอ่อแต่แต่บางบางคนกลัวแบบกลัไม่จิ้มฟันอย่างเงี้ยคะทอานคเป็นความกลัวเป็นลักษณะโฟเบียเลยนะัแบบกลัวชนิดที่เรียกว่าเหงือกแตกเหงือกแตนทําอะไรไม่ถูกเอ่อไปประมาณนั้นเลยละ่ะอืมค่ะทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องความกลัวทั่วๆไปที่เป็นถ้าเป็นแบบทางโลกก็พูดว่าเป็นความกลัวที่เป็นอารมณ์อารมณ์กลัวนะคะ ในทางธรรมเนี่ยมีอะไรจะช่วยคนที่มันมีบางอย่างกลัวอยู่ในใจกลัวโน่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวไปหมดบางทีสองกระจกอุ้ยกลัวตัวเองอืมความความกลัวถ้าถ้าเราจะพยายามทาความเข้าใจเนี่ยคืออย่างสมมติเอากลัวผีหรือกลัวอะไรที่กลัวเนี่ยมันแน่นอนคือกลัวสิ่งที่เราไม่รู้จักนะคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจมันเราจึงกลัวมันแตเราไม่เข้าใจว่างูเนี่ยจริงจริงมันไม่ได้มีพิษอะไรเออถ้าเราทําความเข้าใจแล้วมันก็ไม่กลัวนะหรือแมลงสาบหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่พะนั้นกลัวเนี่ยมันมาจากรากรากของมันเนี่ยถ้าเราสาวไปเรื่อยๆจะเจอเรื่องของโมหะคือความหลงนะโมหะคือความหลงครอบงำจิตใจของคุณอยู่ถามว่ามันมาจากอะไรกิเลสคือโมหะนี้นะโมหะเนี่ย ค, คือไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะก็ตามเนี่ยมีแดนเกิดคือผัสสะนะกิเลสทั้งหลายเนี่ยมีผัสสะเป็นแดนเกิดถ้าสมมุติเขาเห็นผัสสะลักษณะอย่างนี้ดูมันหน้าตาเป็นอย่างนี้เอา้ามันงูเลยนะ เพราะความหลงเกิดขึ้นพวะเนี่ยก็จะพลิกผันออกมาเป็นลักษณะของความกลัวได้พลิกผันออกมาเป็นลักษณะของไปรังแกมันได้นะมันอาจจะไม่เข้าใจทำอะไรไม่ถูกก็วิ่งหนีแต่กลัวก็มีหลายแบบกลัวแล้วยืนเฉยกลัวแล้ววิ่งหนีก็เป็นอย่างนั้นไปนี่เพราะมันมีโมหานั่นเองถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องของโมหะเราจะเราจะคลายได้อย่างไรแต่โมหานี่มีโทษมากด้วย แล้วก็คลายช้าด้วยพร<ช>นะเจ้าก็เตือนเอาไว้มันทำให้เรามืดมองอะไรไม่เห็นนะมืดในที่นี้หมายความว่าทำให้จิตของเราเนี่ยกังวลไม่เข้าใจทำไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหนนะ ก, กัวไปหมดนะนี่คือลักษณะข อ, ของความกลัวถ้าจะพูดถึงวิธีแก้นั้นก็คือว่าพยายามทาความเข้าใจกนะิเลสเนี่ยจะออกไปจากจิตของเราได้ก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองแนะแต่ไอเรื่องตรงนี้ มันก็เกี่ยวกับอุปนิสัยด้วยนะคุณยมติว<า>คือบางทีพระอรหันต์บางรูปบางคนเนี่ยพอตัวเองบรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยอาจจะมีนิสัยเกา่เกาๆที่ตัวเองมีติดมาอยู่เช่นกลัวแมงสาบหรือกลัวงูอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ใช่อยู่ไม่กลัวแต่ว่ามันก็ยังไม่ชอบอะ่ะคือคือไม่อยากจะไปอยู่ใกล้มันว่างั้นเถอะนะคือไม่ใช่ว่าไม่กลัวแล้วเอามาเลี้ยงเล่นเอามาจับเล่นไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือไม่อยากจะอยู่ใกล้มัน ก็เป็นเป็นลักษณะนี้นะซึ่งวิธีแก้นะก็พูดคร่าวๆก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานะเราทํายังไงจิตใจงเราให้มีความมั่นคงนะอา่าเรามีความมั่นคงแล้วแต่แหมมันมาใกล้ๆก็ยังกลัวอา้าวงั้นคุณทําความเข้าใจกับมันว่าจริงๆมัน ค, คืออะไรนะมันมาจากไหนมันกินอะไรมันทํายังไงเราก็จะคลายนะต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาเราจะคลายเจ้าโมหะที่อยู่ในใจของเราไปได้ถูกไหมท่านกำลังจะพูดว่าไม่ว่า ท่านทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่หรือว่าท่านอื่นๆที่ท่านอาจจะไปบอกเขาตอบเาะเขาขี้กลัวเหลือเกินมีความกลัวเป็นเจ้าเรือนเนี่ยจะแก้ความกลัวสารพัดได้แม้แต่ความกลัวต่างๆที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วซึ่งกลัวไม่ตังโมนี่ถือว่าเป็นโมหมะไหมคะท่านคะอ๋อแน่นอนแน่นอนใช่นะคะแล ะ, ะกลัวทั้งหมดรวมทั้งเรื่องไม่ตังโมนี่ด้วยเนี่ยสามารถแก้ได้ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดถูกต้อง ก็ต้องเรียนท่านว่าอาริยมรรคเป็นองค์แปดเนี่ยมีทั้งเรื่องความเห็นชอบความดำริชอบความดำริชอบคือดำริในสิ่งที่ไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนใช่ไหมคะใช่ใชความเห็นคือเห็นในเรื่องอริยศาสตร์ว่าเป็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องใช่ว่าเป็นสิ่งที่ควปรปฏิบัติอย่างไรอย่างไรเนค่ะแล้วก็มีสัมมาวาจาใช่ เป็นการพูดชอบไม่พูดโกหกไม่พูดให้คนแตกกันไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพลเจอร์ <per cher. S 1> มีเรื่องของการงานชอบคือไม่ผิดศีลสามข้อแรกไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมใช่มีข้อของสา ม, มาอาชีวะคือไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องค่ะมิจฉาอาชีวะ อาชีวะที่ไม่ชอบอาชีพที่ไม่ชอบนี่เป็นอาชีพอะไรบ้างครับ no? เป็นอาชีพที่ต้องมีการโกหกต้องมีการหลอกลวงต้องมีการล่อล่าบด้วยลาบต้องมีการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงเนี่ยพวกนี้อาชีพอะไรก็ตามคือบางทีขายของหน้าร้านมันดูเหมือนน่าจะเป็นอาชีพที่ดีแต่ถ้ามีการล่อล่าบด้วยลาบแต่มีการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงนี่คือลักษณะขอ ง, ของมิจฉาอาชีวะค่ะและถ้า สัมมาวายามะนี่กล่าวโดยสรุปว่ามีความเพียรที่จะไม่ให้กิเลสเกิดที่จะดับกิเลสงี่ฉันพูดถูกไหมครถูกต้องถูกต้องนะคะแล้วก็มีความระลึกชอบระลึกชอบท่านช่วยอธิบายค่ะความความระลึกนี่คือสตินั่นเองใช่มีสติที่จะระลึกถึงสิ่งที่ที่ดีที่งามไม่ให้จิตของเราตกไปอยู่ในแดนชั่วร้ายค่ะคและสัมมาสมาธิสมาสมาธิก็คือความที่จิตเรามีความตั้งใจมั่น อยู่ในแดนที่ดีพูดถึงสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบค่ะทีนี้ถ้าท่านพูดเอามรักไปแก้เรื่องกลัวไม่ตังโ ม, มนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามันเกินไปแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะไปแก้ได้อย่างไรอแต่ดิ่ฉันยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่คนกลัวกันมา ก, ก น, นะคะอืคือส่วนใหญ่อาจจะพูดบ่อยในรายการนี้ด้วยว่าคนเนี่ยชอบกลัวผีอืและจะว่ากันไปถ้าเราดูหนังผีฟังเรื่องผี เราก็คงจะกลัวตามเขาไปบ้างอยู่เหมือนกันหรือปากอาจจะบอกว่าไม่กลัวแต่ใจก็บอกอย่ามานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนบางคนนะคะท่านคะมสมมติเขาปฏิบัติธรรมดิฉันได้ยินมากเลยเตือนนะคะที่มักจะพูดถึงว่ามีการเห็นภาพที่เห็นแล้วกลัว อ, อันเนี้ยคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาช่วงหลังนะคะทั้งผีทั้งภาพที่เห็นดิฉันสนใจในเรื่องของการนั่งปฏิบัติแล้ว เห็นภาพพวกเนี้เพราะทำไมบางคนก็ไม่เคยเห็นเลยนะคะอแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นน่ยของจริงหรือเปล่ามีให้เห็นจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วที่ว่าผีนี่ยไม่มีเถ้าพูดถึงผีเนี่ยหมายถึงอย่างสมมติเพื่อนของคุณยมติวที่กลัวแม่แตงโมเนี่ยแม่แตงโมเนี่ยเป็นผีของเขานะผีคือถ้าถ้าในความหมายของพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะคือเรื่องของคนที่เป็นอาบมนุษย์อะมนุษย์นะอามนุษย์คือที่ไม่ใช่มนุษย์เช่นเทวดาเปรต สุรกายพวกนี้มีแน่นอนอเพราะฉะนั้นผีเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยเราพูดถึงสิ่งที่เรากลัวเราก็เอาเลเบลว่าอันนี้คือผีบางทีเห็นุ่มไม้ไหวๆอุย้ยมันผีผีแต่พอเปิดไฟดูอ้าวมันแคุ่่มไม้ไหวอย่างเงี้ยดีเสียงอะไรกุ๊กกะ ก, ก, กุไม่รู้อ้าวผีผแต่พอไปดูจริงอา้าวกบมั น, ม, นมันเดินอยู่ตรงนี้มันเลยเสียงเหมือนคนเดินนะมันก็เป็นอย่า ง, งานั้นไปทีนี้สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจในที่นี้เนี่ยมีหลายคนที่มาปฏิบัติธรรม และกลัวความมืดในกลัวความมืด ค, คือไม่สามารถนอนคนเดียวได้นหจะนอนก็ต้องเปิดไฟนอนหรือว่าต้องเปิดทีวีเป็นเพื่อนถึงจะนอนได้แต่พอเข้ามาปฏิบัติธรรมนะเขารู้จักรักษาจิตว่าจิตเขาควรจะต้องวางตรงไหนอย่าไปวางตรงสิ่งที่เขากลัวทำให้เขาคลายความกลัวตรงนั้นได้คือไม่กลัวความมืดไม่กลัวว่าจะต้องนอนคนเดียวอีกต่อไป ค่ะเทคนิคนี้เอามาใช้กับการดําเนินชีวิตในโลกได้ไหมคะเพราะว่าดิฉันสังเกตว่าระยะนี้เนี่ยคนจะกลัวนู่นกลัวนี่ไปเยอะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองนะคะเพราะก็ไม่ค่อยได้พบปะเจอกันใช่ใช่ใช้ได้แน่นอนใช้ได้แน่นอนที่เราค่อยฝึกไปนะคือภาษาบางอย่างเนี่ยมันมันเกินกว่าที่เราจะรับไหวนะเราก็ฝึกไอ้ที่เราทําได้ไปก่อนแล้วฝึกให้มากขึ้นมากขึ้นมีกําลังจิตมากขึ้นเราจะไม่กลัวอะไรเลยตายก็ไม่กลัวอันเนี้ย ไปลองดูก็ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะวันเนี้ยท่านกําลังกลัวอะไรอยู่ท่านลองเลยลองด้วยการวิธีที่ท่านบอกคืออย่าเอาจิตไปไว้ตรงนั้นใช่เอาไปไว้ที่ไหนแล้วคะท่านคะก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจอย่างนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> ลมหายใจของท่านซึ่งท่านไม่เคยสนใจเลยตั้งแต่เกิดมาเว้นแต่เวลาเกิดหายใจไม่ออกเนี่ยท่านจะได้พบว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อืถ้าหากว่า สุดท้ายทำให้ท่านหายกลัวยที่ท่านพิบูรลพูดได้แล้วก็ส่งข่าวมาบอกเราบ้างก็แล้วกันนะคะว่ามหาสจัจจรนท์พบแล้วอะไรเงี้ยค่ะเจ็บปานเจ็บปานค่ะก็ต้องกราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะในมันส ก, การค่ะระหว่งางที่เคารพค่ะและนี่ก็คือพระพบูลอภิปุณโญจากวัด ป, ป่าดอนหายโศกอุดรธานีในรายการสรนสนีสนทนานะคะท่านก็ได้เมตตาที่จะตอบปัญหาเกี่ยวกับที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ ด้วยสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็สอนเอาไว้เป็นอมตะธรรมเพราะว่าไม่เคยขัดกับโลกที่จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามทีใช้ได้ไม่จํากัดการค่ะรายการสรนสนาส น, นานะคะดิฉันเชื่อว่าถ้าท่านได้พบได้รู้จักแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนกระทั่งเป็นสิ่งที่ประจักษ์ด้วยตนเองหรือที่พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าเป็นปัจจต่างเนี่ยนะคะรู้ได้เฉพาะตน ก็จะทําให้ท่า น, เ, นเห็นคุณค่าที่จะนํเอาไปใช้ให้มากขึ้นหรือว่าบอกต่ อ, ตอไปให้ให้มาให้เรียกให้ผู้อื่นจงมาดูเถิดอย่างนี้นะคะก็ไว้ติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่รายการนี้ยืนหยัดพูดเรื่องเดียวเนี่ยคะ่ะคือเรื่องของคําสอนของพระศาสดาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการสัสนสีสนทนาดิฉันสัสนสีน้าคพงลาไปก่อนนะคะพุทธ ส, สวัสดีคะ่ะ